197. กรณียโทรสกะว่าด้วยการเดาะกระถินเพราะมีธุระจำเป็นส2องกรณี 320. ภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยธุระจำเป็นบางอย่างอยู่นอกสีมาเกิดความหวังว่าจะได้จีวรเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร น, นั้น แต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทาจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทาจีวร น, นั้นการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทาจีวรเสร็จภิกษุกรานกระถินแล้วลีกไปด้วยธุระจำเป็นบางอย่างอยู่นอกสีมา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 จะเข้าไปยังที่ซึ่งหวังว่าจะได้จีวร น, นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรแต่ความหวังว่าจะได้จีวร น, นั้นของภิกษุนั้นสิ้นสุดลงการเดาะ ก, กระถิ่นของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยสิ้นหวังภิกษุกลานกรถินแล้วหลีกไปด้วยธุระจาเป็นบางอย่าง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 ให้ทําจีวร น, นั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทําอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอกกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายภิกษุกรานกรถินแล้วหลีกไปด้วยธุระจาเป็นบางอย่างคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมาเกิดความหวังว่าจะได้จีวร เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนี้นอกสีมานี่แหละเข้าไปยังที่ซึ่งหวังว่าจะได้จีวรนั้นแต่ความหวังว่าจะได้จีวรนั้นของภิกษุนั้นสิน้นสุดลงการเดาะกถินของภิกษุนั้น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 แต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมาเกิดความหวังว่าจะได้จีวรมีความคิดอย่างนี้ว่าจ ะ, จะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นแต่ความหวังว่าจะได้จีวรนั้นของภิกษุนั้นสิ้นสุดลง การเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยสิ้นหวังกรณียโทรสกะ